ลลตามีเนนอยู่ด้วยอหนึ่งเนนคิงสมัยก่อน่ลลตานลงไปบินตะว่าลงไปแสดงทำที่ข้างกรมประชาสัมพันธ์ขึ้นมามันชอบไปด้วยเพราอพ่ อ, พ อ, พอแม่เขาทิ้งกันแล้วมาอยู่กับเรานอนก็อยากนอนด้วยมันกลัวผี น, น้องอะไรถือผ้ามาแล้วปิดเตอร์มีปอหนึ่งปอสองมาแล้วมาอยู่ด้วยลงต้าเวลานอนไปนอนมาหลับลลตาก็ลุกหนีเนะย กุฏิก็กุฏิม้งยากตื่นมามันหาเหมือนมึงร้องไ้จะออกจากกุฏิก็ไม่ได้มันกลัวในม้งเขียวนั้นนะตื่นเช้ามาหลวงตาจะทำกับหนูอย่างนี้อีกนะเป็นอะไรอะ่ะต้องนอนด้วยกันหลวงตานอนบนก็ได้ผมนอนที่ทางจงกรมก็ได้มันทางจงกรมข้างล่งังไงเรากนนอนเตียงทั้งบน ว่ไม่ได้เราผิดวินัยมันไม่มียกเว้นบ้างเหรือนี่นะเพระพระพุทธเจ้าไม่มีเหตุผลมันว่านะเขาตายมึงยังรู้จักกักกูเนาะแบบนี้นลงตา น, นอนข้างบนผมก็นอนทางชวงกลมก็ได้เนี่ยนะเนรนี่มันอยู่ด้วยนะไปบินธบาตมันฉลาดเล้ไปบินธบัตรเขาจะใส่บาทให้เต็มเลยสององนะลุงตาก็เต็มแกก็เต็มบินธบาต ก็กลับมาเดินมานะโยมมาทําบุญขับมอเตอร์ไซค์มาที่เขาจอดเขาก็วิ่งไปรับบาดลุงตาแล้วเขาถือมาสักพักวันที่หนึ่งก็ไม่เป็นไรวันที่สองมันว่าเลยโยมพวกนี้ก็ไม่มีปัญญาไม่รู้เด็กรู้ผู้ใหญ่นะ่าจะรับของเด็กมากกว่าบ <c oughs> านดะห <c oughs> นักเว้ยัป็นวันนี้นะอันเดบาดนะก <c oughs> มันว่าไม่รู้จักมันไม่ดูเลยเด็กหนักเนี่ยไปรับของผู้ใหญ่ทําไมอ่ะว่าโตโ้ดวงตาพ่อเด็กนี่มีปัญญามากถ้าเอาตัวทิฐิมันออกได้นี่ยจะดีมากดวงตาเลยว่าหนักมากนังเหลอคือเขาคิดแบบเขาเนาะไม่ใช่อะไรดวงตาหนักมากก็ถ้ามันหนักฟาดเข้าป่าไปเลยจะไปกิ น, เ, นเดินมาเพราะเห็นเตืน ฟาดบาตเข้าป่าเลยนะต้นตาก็ไม่นึกว่ามันจะกล้าทําบันนั้นนะทั้งอาหารโยนเข้าป่าตกลงไปในตรงคลองต้นวานมันกินก็ได้ทิ้งเข้าป่าเลยแล้วก็เดินมาเฉยตนตาก็นึกคำอยู่ในตัวเองให้กูจะสอนมันยังไงดีวะ่ยว่ามันไม่ฉลาดเมื่อก็ฉลาดนะมาถึงวัด ไปลราไปเดินจุกกมอยู่กุฏิน่ะไม่ยอมมากินข้าวเลยไม่กินน ะ, นะตอนเย็นก็ไม่มาทำวัดเดินจุกกมโอ้มันจะคงเครียดเดี๋ยมันจะคงกลับบ้านเองแหละลุงแต่ว่าเด็กไม่กลั บ, ไ ม, ลบไม่กลับบอกมาบอกโยมเขาพอมาถึงวัดแล้วลงบอไปเก็บเอาบาทนั้นมาหน่อยทีน่ะ ตอนเย็นมาหลวงตาก็เลยบอกโยมเขาว่าเอาขนมข้าวต้มไปให้หน่อยดิขนมนะไปให้ตัวเย็นๆ น, นะเดี๋ยวมันก็ฉันอี๋หลวงก็วิ่งมาไปหาตักน้ำมาขึ้นทานอาหารอะอย่างผมคิดแล้วว่าหลวงตาต้องเมตตาผ่อนว้ <c oughs> มึงเดาผิดนะั่นแหละวะกลัวตายเฉยหลอกหลวงตาไว้เนาะ ถ้าหลวงตาไม่เมตตาผมจะมาอยู่ด้วยทำไมมันวะเออมันก็พูดดีนะนก็พูดดีคือมันคงทำใจได้นะลบความคิดเป็นหลวงตาก็เลยสอนว่าวัฒนธรรมรู้จักวัฒนธรรมไหมทำไมเขาไม่รับบาดเด็กแต่น้นในนี้อธิบายฟังคือโยมมาทำบุญหัวเราะกันมดหัวเราะกันที่คำพูดวะเนี่ยไม่รับของเด็กเป็นรับของผู้ใหญ่ไม่รู้จักใครหนักใครเบาเนี่ย